นางเสียใจสุดจะประมาณรำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเชี่วเอาไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลวเดินโซซัสโซเซไปยังบ้านของมานดาบิดาชาวบ้านจำนางได้อธกถาธรรมบทว่านางถามข่าวมานดาบิดาจากคนเดินทางซึ่งรู้จักครอบครัวของนางดี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 สอนภิกษุณี30รูปให้บรรลุพระอระหัสตนางปตาจาราเถรีนี้มีความสามารถในการแสดงธรรมอยู่รูปหนึ่งจะเห็นได้จากการแสดงธรรมแล้วทาให้สตรี30คนพากันออกบวชเป็นภิกษุณีอยู่บําเพนวัดปฏิบัติในสำนักของท่านวันหนึ่งพระเถรีได้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีเหล่านั้นด้วยคาถาที่ท่านอุทานหลังบรรลุ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 ภิกษุณีเหล่านั้นเคารพในโอวาทแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาก็สามารถทำให้แจ้งพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสีได้สำหรับคาถานั้นท่านอธิบายว่าคนเหล่านี้ถือสากํำข้าวเปลือกทำงานตำข้าวในครกของคนอื่นๆเพื่อเลี้ยงชีพทำงานตำาๆเช่นนี้รวบรวมทรัพย์เลี้ยงดูบุตรภรรยาเป็นงานตำ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 ไม่นานก็บรรลุพระอระหัสต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี